ทำมาเย็นจบแล้วทำคันสั้นขอเป็นพิธีแล้วก็มาเล่าเรื่องปฏิบัติธรรมะเป็นการทบทวนคำพูดที่เทวให้ฟังตอนเ้านีว่าอธิสินสิกขาอธิกิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาตำลาว่ า, างจันแต่เมื่อ รองพอเข้าใจว่าสี่ขันสมาธิขันปัญญาขันเจวะขันห้าขันซี่ขันสามขันสองขันหนึ่งมันสันเป็นว่าขันบัดนี้ก็เลยมาพูดให้พวกเราเข้าใจเมื่อมีสี่ขันสมาธิขันปัญญาขันเกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นปกติที่หาว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบ ใจิตใจปกติมันเป็นปกติเมื่อมีปกติแล้วสิ่งใดมาเกิดขึ้นมารบกวนเราก็รู้เราก็เห็นแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจเราสงบอยู่นั้นเรียวกว่าเราไปทำให้มันสงบมันฟื้นธรรมชาติมันแต่บอได้วาเลื่องคุนอื่นอันนีเวาเลื่องเฉพาะตัวเองได้ศึกษา ได้เล่าเรียนได้ปฏิบัติมาอันไปทําให้มันสงบนั่นเรียกว่าสมมถกรมรมฐานบ่แม่นี่ปัสนาครับตัวเองเข้าใจเอาผู้เดียวอันนี้ว่าเอาผู้เดียวคันว่าผู้เดียวท่านมันที่ถูก บ, บ่ท่านคูกบุตรกับก บ, รบรุรุษู้จักแล้วแต่ว่าเราเข้าใจอย่างสั้นสำหรับตำรับตํารา่รนั่นดีแล้วแต่ว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือตําราพระพุทธเจ้าตายไปแล้ว ให้ว่าเธอไปนิพานไปแล้ว450ปียังได้มาทรงจำพระธรรมวินัยกันขึ้นมาตั้งสังขางหนายครั้งที5ห้าี่ยังได้จะลึกพระธรรมวินัยไว้เคยได้ถามหลายคนแล้วส่วนระยะเกิดมาอายุ20ปี30 ป, 20ปี20ปีนี่ยังน้อยอยู่30ปี40ปี50ปีถาม ตั้งแต่สิปีพี่เหละขึ้นไปพ่อแม่บอกอะไรคำแรกที่สุดจำได้บอกน่งหรือนอนจำบุรุจักคนถามมาหลายคนแล้วเรื่องนี้บัด น, นี้พระพุทธเจ้าตายไปแล้วบัดเนี้ยสี่รอยห้าสิบปีแน่คนที่เขียนพระธรรมวินัยจาลึกขึ้นมานี่จะเป็นอรหันต์หรือเป็นปุถุชนอย่างธรรมดาเราเนี่ยกับบุรุจักเพิ่อนว่าต้องจารึกพระธรรมวินัยนี้ไว ถ้าหากโบจะเึกบโเขียนไว้ที่ผมมีผู้สรงจำมาแล้วก็บยเปผู้ส่งจำในเทแล้วก็ไดมันเป็นอาสารเ็นอยาเขียนไว้บัดนี้มาคิดสัวระยะลาสี่ร้อยห้าสิบปีจากส่วนคนเอาส่วคนเพียงหกสิบปีหรือแปดสิบปีอ า, อาอยุแปดสิบปีซะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสาี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบเนี่ยหสนได้ส่้อยห้าสิบปีบัดเนี้ แล้วเขาซีจับได้บ่กพ่อเขาสนอนยังไงพ่อของพ่อสนอนยังไงพ่อของพ่อสอนมายัางไงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าญาติเสื้อถือที่เขาพูดตามกันมาในหนังสือกลาเมสูตรบอกไว้ยังสั้นแล้วก็ญาติเสื้อถือท่านเห็นเขาทําตามกันมาสิบข้อคุณแล้วก็ญาติเสื้อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตํารากรรมพีแล้วก็ญาติเสื้อถือผู้พูด ผู้สอนว่าหน้าเสื้อถือแม่ครูผู้สอนแท้ๆเพิ่งก็บอกให้เสื้อถือให้เสื้อบนใดให้เสื้อบนตัวเราเข้าใจบนเห็นแจ้งบนรู้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบุนสอนไว้นั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราจะถ้าคนนี้อันนี้เป็นคํำรับรองเป็นคำประกันของพระพุทธเจ้าเราก็เลยว่าพระพุทธเจ้านั้นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบกว่านี้จิตใจบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์แปลว่าจิตใจปกติอืจิตใจพองใสจะสังเกตพองใสแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงว่ามีสิ่งใดที่ปิดบงังเป็นว่าจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่าง นี่เป็นว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติลองเบื้องอันนี้แหละเมื่อสินเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าสินขันขันมีสิลคือขันห้ามีสิลขันซี่มีศิลขันสามมีสิ น, ข, น, สมมสนขันสามนี่อาจจะเขา้าใจกันน้อยคนหนึ่งกายสองคำพูดสามใจเรียกว่าขันสามกระไดหรือว่าอาธิสินสิกขาอธิกิตาสิกขาอธิปญาศิกขาก็ได้บนันเนี่ขันสองบันเนี่ย เ พ, พิ่นเพิ่นเพ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นมพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่าเพม่นเนนพิ่าเพาาาานนิ่นเพสา น, น เ, าเานน พ, พนเนเิ่นเพา่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเัิมนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพินเพิ่นเพ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่จเงิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเิ่นเพิ่นเพิีนเพิ่นเพิ่นเพิ่เพิ่นเพิ่นเพิ่อเพิ่นเพิ่นเ้ิ่นเพิ่นเพ้่นเพิ่นเพิ่นย ขวมสงบจึงมีอยู่สองอย่างสงบโบลูอันหนึ่งสงบแบบลูอันนึ่งสงบแบบโบลูในเพันว่าเอินสงบสมถะกรรมฐานสงบแบบลูในพันว่าสงบแบบการเห็นแจ้งหยุดการศึกษาหยุดการเล่าเรียนหยุดการแสวงหาวิธีปฏิบัติหยุดหาครูหาอาจารย์หยุดหาตำราพั่าเอิญสงบหยุดทุกอย่างคันว่าไปกัหยุดฮอตขมโลภขมโกดขมหลงพูด่บบนี้ หยุดมัดเนี่ยเพิ่งมาหยุดอันนี้เพิ่งมาสงบสงบพอหยุดขันท่าห้ดดาเขายังโบยจุู่สงบโบได้เนี่ยเข้าใจแปลงจัิงว่าให้เหาศึกษาและปฏิบัติจริงๆมาปฏิบัติเที่ยวนี่ก็เรียกว่าได้ยินคุณสัมผัสว่าให้ฟังจํานวนคนมาปฏิบัตินี้หกสิบกว่าคนหลวงพอ่อสจํานวนหกสิบกว่าคนนี่ถ้าห้าเขาปฏิบัติรูน้อย เขาก็สอนกันน้อยได้สมาชิกคนหนึ่งหกสิบคนก็ได้หกสิบคนก็ได้ร้อยี่สิบคนถ้าหากเขาตั้งใจกันอีกตื้มปีต่อไปร้อยยี่สิบคนน่ะมาปฏิบัติอีตื้มเราก็จะมีขุมลู้เพิ่มเติมกันขึ้นอีกตื้มก็ได้สองลอยขึ้นไปได้สี่ลอยขึ้นไปได้แปดลอยขึ้นไปเป็นพันขึ้นมาดังนั้นคําสอนของพระเจ้าว่าเขาสวด ธรรมะสว่าธรรมของพระศาสดาสว่างเปรียบดวงปฐพีมันริบลี่ริบดีอยู่ถอยตะกีหมดเขามาปฏิบัตินี่ก็คือการถอยหน้าถอยหลังคานแด่มันแด่คานแด่มันแ ด, ด, ด่มันเป็นอย่างญญานี้เดี๋ยวตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเท่านี้จะว่าเข้มข้นกันพูดกระบอกพ้นหลายพูดแต่แต่เนื้อในใจควรวมาในเทเมื่อรู้สินขันสมาธิขันปัญญาขันแล้ว รู้สมถะกรรมาฐานกับวิปัสสนากรรมาฐานรู้ทันทีรู้ที่ตรงนี้เมื่อรู้สมถะกรรมาฐานกับวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเดียวเป็นปกติแต่เมื่อยังเป็นสมถะอยู่ว่าเ ป, เป็นปกติมันจิตใจวั่นไหวสะทกสะทานอย่างนั้นอย่างนี้บ่เป็นปกติสาญญาพออันเนี้ยผู้อื่นอาจจะเป็นปกติบุหุจัก เมื่อสิ้นอันนี้ปรากฏขึ้นแล้วปกติแท้ๆทุกคนต้องมีอันนี้เพื่อนเป็นปรามาัดปารมัดแป ล, าาแลของจริงของแท้บ่เปลี่ยนแปลงบ่แปรผันบ่ได้สมมุติอย่างที่เขาสมมุติว่าคูบานั้นคูบานี้สมเด็จนั้นสมเด็จนี้บ้านอย่างเพื่อนสมเด็จเจ้าหัวศานั่นเจ้าหัวศานี่เผื่อว่าทางทีเพื่ อ, นอินจะขุนพระคูเนี่ย พระเทพพาลาพระนางสร้งว่าพระเลือนสันอันนั้นมันเป็นสมมุติก็เอาอันนั้นแหละมาว่าอันนี้เอาอันนี้ไปว่าอันนั้นจึงว่ามันสมมุติจึงให้เรารู้จักสมมุติจริงๆถ้าบม่รู้จักสมมุติแล้วกับปฏิบัติกะเกอร์เขินสงสัยว่าอันไหนนอถูกก่ะอันดหนนอผิดหน่อยมันสงสัยเมื่อเราเห็นแจ้งรู้จริงแล้วความสงสัยกังวลใจบ่มี เมื่อความสงสัยกังวลใจบ่เหียแก้ปัญหาตัวเองได้ทุกกนเลยว่าหมดไปเพิ่นมากให้หมดทุกเดี๋ยวนี้นี่เห่ามีความสงสัยทำบุญหลายลายเนี่ยเขาเข้าใจยังสั้นนึกว่าจะได้บุญหลายเน่ยเพราะอันเนี่ตายแล้วจะมีเทวดามาเสพมางันเอาดวงจิตบิญญาณลอยขึ้นไปเกิดบงสวรรค์เข้าใจจังสันจริงๆอันนั้นเฮายึดเขาถือ อย่ายึดมั่นถือมั่นเพื่นว่าแต่เหายึดเหยื่อถือยึดมั่นในสินกะผิดเพื่นว่ายึดมั่นในทานกะผิดยึดมั่นในสมถะกรรมฐานกะผิดยึดมั่นในวิปัสสนากะผิดเพื่อนเพื่นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นบาปนี้เขามาทําบ่ให้ยึดให้ถือไม่เนี่เอาจะเพียงรู้สึกตัวมันเคลื่อนไหวก็ให้รู้มันคิดก็ให้รู้ให้รู้เพื่อนยังรู้เพื่อให้มันเท่าทันเหตุการณ์ของความคิด รู้ให้มันเท่าทันเหตุการณ์ของจิตใจนึกคิดให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกอัสนะมันได้เมื่อรู้จักกันนี้แล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นนี่เป็นว่าสิ้นเป็นเครื่องกําจัด ก, กิเลสอย่างหยาเนี่ยสมาธิเป็นเครื่องกําจัด ก, กิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนนะ่าห่อติดเด้เ่าติดดีเ่า ต, ติดความสงบเ่าไปปฏิบัติธรรมะอยากให้มันสงบนี่เ่าติดอุปทานเลยนะหาหักบุหุหบบจัก บุ้มหัจักเนีย่ยพอบุ้มหเจ้าอุปทานไปรับศินยินดีในสินสินอนันรักษามาตั้งแต่เป็นหนุม่มเนี่ยพอรักษาสินอุโบสถมามันก็บอกเสาใจหายผู้ใดมามาให้มันก็ยังมีดีใจเสียใจอยู่บรมสินที่กําจัด ก, กิเลสอย่งงางหยาบมันสินสังคมอ่ะ น, นะให้หู้จักว่าสมมุติสมมุตินี่ทิ้งโบได้สังคมนี่ยู่งกับสมมุติจึงมาให้เขา ร, รู้จักจริงๆถ้าหากเขารู้จักจริงๆแล้ว แสดงว่าเหาเข้าถึงพระพุทธเจ้าเหาเข้าถึงพระธรรมเหาเข้าถึงพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็คือว่าให้ฟังนั่นเนี่ยอยู่ใส่อยู่บนจิตใจสะอาดอยู่บนจิตใจสว่างอยู่บนจิตใจสงบบนจิตใจบริสุทธิ์บนจิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไวสามารถอันไรมาผ่านใจเขาคิดนะ่ะมันผ่านเรียกว่าผ่านเอาของบูรหุจักนี่มันผ่านไปผ่านมาใจามันว่นไหวของบูรหุจัก ถ้าหาใจขาเป็นปกติใจพองใสใจว่องไวแล้วสามารถมองเห็นทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมอ น, นันตซื้อว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าเขากรเลือเล่อนพระอรหันต์เอาสันแต่เขาเข้าใจว่าอยากดีเนี่ยพระอรหันต้องมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเข้าใจอย่างสันมันเข้าใจผิด ก, กันกับคำพูดขวมจริงแท้ เอยาดีอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากมีอิทธิปติหารอันนั้นเป็นอุปทานทั้งหมดที่เหาพรวานี่นะแต่ผู้อื่นที่เปลี่ยนเปลี่ยนบุคคลจักเหยาพ อ, อยักเป็นอย่างซันเตกรเหยาพ อ, อยักเป็นพระลูซีเตาไฟเพราะเหยาพอเป็นน้อยในบุคคลจักครูบาบอกตื่นมาเมื่อเศร้ากับป็นมื่นตาเตตะเวียนพุ่นมื่นตาท่นนานสิเหรบกหับ คันบัดแสงตะเวนขึ้นมาหลายๆแล้๋ยวมือลตาซิบันนี้คันบัดไปมือืมตาซิคนแล้วมานทเป็นไฟไหม้เป็นมืด อ, อยากเป็นอย่ากพอเนี่ยควมยึดมั่นถือมั่นซิ่งนั้นแหละมันเป็นอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางบ่ให้เหาลู่ธรรมะได้จริงว่าเลิกได้ทําลงไปแล้วสิ่งใดบุญบกเกิดปัญญาบ่เห็นแจ้งบ่รู้จริงเลิกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลิกได้ ทำสิ่งใดลงไปแล้วมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดการหตุแจ้งเกิดการรู้จริงแล้วทำไปบุผิดงาพ่อกับหรือบุไดเลอข่าวเนะี่บุหุ่จักเด็บัดนี้ตะเวงแสงมันแก้ขึ้นแก่ขึ้ น, นบัดอวยหน้าออกมาซีมันมืดตึ้อลมไปกรณีเลอดเทือกเนีเ่ยมากระเด้มือตาเบิ้งคนกัญญา บ, บุเห็นไผลลมจากคนปันนี้เนี่ยเป็นอะไรสัน่มนมลคงเส้หนังบางฟันงวธนูขู่หน้านอ้อยเงาพ่อเฮียนมามืด เพราะว่าหลวงนาเป็นครูสอนไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยย่อพอเลิกได้เนีอพอรู้จักควมญญามมนเนี่ยพออย่างจําได้อยู่ในบางคำฉันว่าเนีพ่อว่าดีแล้วอันเครื่องรางของขั ง, งกระตุกมุนหยันนั้นดีแล้วดีสําหรับคนผู้ที่ยังอ่อนปัญญาคันว่ายัา ง, งโงงเคียดคนคันแสดงตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยว่าพระพุทธเจ้าสอนคนที่ยังคันว่าต่ำ ความจริงแล้วก็ว่าสอนคนที่ยังโง่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมามันยังโมมันยังเป็นนังสันสอนคนที่ยังทําผิดยุ่นนละให้มาทําทูกข์เป็นวานังสันสอนคนที่ยังมีทุกข์ยุ่นั่นแหละให้เขาหมดทุกข์ไปแล้วเขาสอนกันซสมม่อมีสอนให้สลาดหรือสอนให้โง่โบาจักอย่างพอก็ได้นแต่ว่าเฮียนนาเพลินเพิ่นก็สอนอมทุลีทุลีว่าสันขอกูมีแท่นของกั้งพาสัน บาดหูดจักแล้วหมอรูปเบิ้งคอเนี่ยนะบ่มีเพนอีกเ่นๆๆๆทองไม่ยั่งเนี่พอตกใจว้าหนึ่งโอ้ยโอ้ยอยสมวตายเนาะเนี่ยพอว่าเขาฟันขอกระต่ายแล้วเนี่ยพอรู้หูจักโอ้สําหรับสอนคนผู้จิแย่อย่างต่ําดังนั้นคาถาบนหยันพี่สร้างนางไหมทุกสิ่งทุกอย่างยนี่พอว่าเนี่ยพอหูจักเริ่มสมมุติดีเนี่ยพอจริงโบ ร, ราณบวกวัวไม่ยัง่งเนี่ยพอเสื้อว่าทําดีมันดีทำซั่วเหมือนสั่วทอนั้นต์สื่อ เง้ยพอจริงเสื่อมั่นว่ะคำสอนของพระเจ้านี่สอนของจริงสอนจริงสอนโดยทุกคนทําได้สอนสิ่งที่โบจรนั้นโบไม่คาสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเขามาทํานี่จึงมาทําซื่อๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดปูซาพระพุทธเจ้าเฮ็ดปูซาพระธรรมเฮ็ดปูซาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเขาเคยว่ากันพอแม่ปู่ยาตายายสอนว่ากาบพระพุทธอยากให้บรรทุกของคน กล้าพระธรรมย้ายไปทุกแบรนด์กล้าพระสงย้ายไปทุกลู ก, ลกลทุกหลานทุกสาวบ้านทุกลูกสาวบ้านคนวางกันแกเหาบุหุจักบุหุจักว่าพอดีรู้อย่างนี้เลยเนี่ยพอตอนสาวเนี่ยพอรู้ยกมือไหว้ตัวเอียงขึ้นหลดเนี่ยพอโอ้มันได้มีดีปานนี้ได้คนเนี่ยเนี่ยควอมเป็นคนจึงให้หุ่นเจ้าควอมเป็นคนเกิดเป็นคนมันก็นเป็นคนแล้ว แต่ว่าควรเป็นคนยุ่งสหูจักเราบอบูหู้จักเนี่ยขอบูหูจักแต่ก่อนเมื่อหูจักมันจะควรเป็นคนอายุ40ปีอย่างหูจักเรื่องของคนมันเนี่ยเรื่องของคนมันคิดสับสนวุ่นวายหน้าที่ของคนมันเนี่ยหน้าที่ของคนต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องเลือกเอายังนั้นการสอนกรรมฐานก็ดีการสอนวิปัสสนาก็ดีมีหลายครูหลายอาจารย์เขาต้องเลือกคัดจัดหาเอา เขาเป็นคนต้องเลือกเอาได้มีสิทธิเต็มที่บดมีผู้ใดสิ ม, มาขัดขวางเขาได้เขาต้องการไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดสอนเขาจิบสอบไปหาเพื่อนร่วมเดียวในประเทศอินเดียก็มีหลายละดัิหลายอาจารย์เป็นว่าเมืองไทยก็มีตั้งหลายลอยวัดหลายพันวัดแล้วผู้สอนกรรมฐานสอนยุทธศาสตรก็มีหลายลอยคนหลายพันคนแล้วเขาสอบเขาต้องไปหาเอาไปศึกษาเอาเลือกเขาได้เต็มที่จังหวะเป็นคน เป็นมนุษย์แท้ๆโบถูกหลอกทูกหลวงโบถูกต้มถูกแก่การให้ทานการรักษาศีดนั้นดีแล้วทานนักมากบนเนี่ยแล้วทําให้เขาพ้นทุกได้โบพนโบได้ก็ดีแล้วอันนั้นก็นเป็นสังคมถ้าหากบ่าให้ยังสันแล้วเบื่อหลอนบ้านเขาจรงให้เขารู้จักสังคมจริงๆให้เขารูจ้จักสมมุติจริงๆเมื่อรู้จักสมถะกรรมฐานดีแล้วก็รู้จักวิปัสสนาตัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลอย่างละเอียดเลยสันกิเลสอย่างละเอียดคืออย่างเด หูจักบอบูหููจักแต่ก่อนบูหูจั ก, ก, จกควรมสงบกับเป็นกิเลสอยากได้บุญกับเป็นกิเลสไปนั่งสมาธิกับเป็นกิเลสอ้วกิเลสหลายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยหูจักกิเลสอย่างละเอียดเวอลสรุปสั้นๆเพราะว่าเวลามันจิดไลเข้ามาอย่าพอเข้าใจว่าเลือดทุกหยดเนีย่ยพ่อเคยวาสังศี่ มีบาดเราดยพาบาดหรืออย่างบางตามปกติเลือดมันพุ่งออกมาตักบาดพอดีมีบาดขางเราเลือดไปจิกลับขืนมดทุกหยดนี่กี่เลดยางละเอียดพอรู้จักื่องสีอแล้วกันนี่แหละคือความโบมีทุกแทะมดทุกแทะเพราะ่บมีสิ่งใดที่ศึกษาหมดเท่านั้นขนเรื่องซีวิตของคนยังวัตายแล้วเกิดกระพิต ตายแล้วศูญกับกิจลักษณะจิตใจมันเปี้ยนไปเป็นขั้นเป็นตอนไปจึงว่ปาปฐมมาสานมีองค์ห้าพันวัตุเติยสารมีองค์สี่ตัติยสานมีองค์สามปัญจมสานอิจจตุทัศน์มีองค์สองปัญจมสานกับมีองค์สองพันวัตถฐมาสานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาปฐมมาสานทุเตียสานนะสิมี วิจารปีติสุขเอกขตาสตาติญาสารแบบ น, นี้ว่ามีสุกมีเอกขตาจาตุทัศน์ปัญจา ม, าามาสานคํามกัรมมีสุขมีอุปเปกขะพลวังสันตมลาพลวังบาตินญพรวาเนี่ยมันได้บเ ป, ป็นอยงางันได้บนี้ปฐมมาสานนะั้นรู้เรื่องขันห้าหว่าท่านทูติญาสานรู้เรื่องขันซี่ว่า่นหลูพอเข้าใจอย่างสันตาติญาสานมาเนี่ยรู้เรื่องขันสามาา ข, 3, ขันสองมา แล้วเข้าใจว่าขันซองนี่ปแปลว่าขันห้าโบได้ทูกปุ๋งเนี่ยบาจะจบมนันเลือดทุกหยดโบออกจากปากบาดแปลว่าโบทุกปุง๋งพราะเรารู้เท่าทันเหตุการณ์ของความคิดดังนั้นทุกคนทําได้ยอย่าง เ, าาเนี่ยพอวานแต่ว่าทำอย่างอื่นอย่างพอบุหุจักก้อนเทจิวหุจักที่เข้าใจนี่ทําความรู้สึกตัวนี่เอง พลิกมือขึ้นกับรู้สึกตัวคว่ำมือลงกับรู้สึกตัวเอียงซ้ายเอียงขวาสิรู้สึกตัวคว่เหือยรู้สึกตัวคว่ำรู้สึกตัวนี่เคนเอื้นมีสติคว่ำรู้สึกตัวในคนเอื้นตื่นตัวคว่ำรู้ใจคิดในคนเอื้นตื่นใจรู้สึกตัวรู้สึกใจตื่นตัวตื่นใจเพลวัตทังสังขพ่อแม่สอนทางธรรมะพลวัต มีสติมีสมาธิมีปัญญาส่วนปัญญานั้นมันเกิดขึ้นมาพร้อมกันจืวเป็นปัญญาปรมีหลวงพ่อเข้าใจปัญญาปรมีเนี่ยคาบอกกันว่าปัญญายุเปโตสุขาโต ว, วิตละโคภาเสยยะเสโคทะสัญญาณนะทาโลไปย่างสันแก่ความจริงแล้วมันแตกไปได้เมื่อหลวงพ่อไปปฏิบัติปัญญามีแล้วปาละเถือพร้อม่าสันมีมัดทุกคน ปาละเพียงพอที่จะรู้ได้เมื่ทุกคนยังว่าถ้าหากเขารู้จริงแล้วต้องกล้าหลับหลอกคําพูดคําสอนของพระเจ้าบ่ต้องวันไหวบ่ต้องสะทกสะทานเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงทุกคนปฏิบัติได้จริงจริงบุรเมนใดเดยปฏิบัติรูร้เลยรู้ได้เป็นทังไดจิตใจมันจริงหดเขา่ามันหดเข่าคืออันปิงยพอวานเอาน้ํายาใส่กับน้ําปูปเนเป็นโพสเซติงมันซี่กลัว มันชี้เป็นเรื่องสั้นกูว่าอันไหนจะกลัวสิ่งที่มันบุธถูกต้องกลัวสิ่งที่มันผิดเอ้ยมากลัวกิเลสก็ได้กลัวตัณหากับ่าได้กัวความมืดกับ่าไรกัวความหนักกับอะไรจักที่ว่าจะไหนมันเรื่องสมมุติสมมุติจึงมีมาเท่ากับใบไม้ไหนป่าอันตัวปรมัดจริงๆนั่นเท่ากับใบไม้แห้งกับมือเดียวคุณว่ายังสั้นจึงว่ามาปฏิบัติธรรมเท่วนี้เว้าเข้มข้น วมาเข้มข้นเพราะเป็นการทบทวนให้ทุกคนจําแล้วเอาไปปฏิบัติรู้ย่างอื่นแก้ไขปัญหาบอดายอย่างขอรู้มาหลายอย่างเฮียนกั็หลายปีเติได้เฮียนนําเพิ่นก็ได้เฮียนครูบาอาจารย์ปีหกเดือนทั้งทํากรรมาฐานทั้งเฮียนหนังสือเนีเป็นนังสันครูบาต้องเคี่ยนต้องตีแต่ใดตั้งแต่วันทิตวากับลาชโตเต็ก่้อนมันเรียนไปนังสันแต่ใดเพราะครูบาเป็นผู้บังคับเนี่ย ครูบาเพิ่นเรียนนวงกระจายไปจากจังหวัดอุบลเพีย้ยบบ่มีลูกซิทลูกหางเพิ่นเอาหลวงพ่อไปไปเนนนอยไปไปบวชนําเพิ่นกับบังคับเอาแล้วของลานนี้โอ้ยทุกหลายอย่างพอนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นเนี่ยพุทธโธพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาพระพุทธเจ้ามาไหวหัวใจนี้ให้เฮ็ดโยนสันโยนตลอดเวลาเนี่เป็นอย่าง น, นั้นเนี่ยมันจะเข้ามาได้จังไงพระพุทธเจ้าอันนั้นแต่เพิ่นกรณี จังหวะทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วครูบาอาจารย์สอ น, น, นมัดนี้ห่อไว้สกรคว้มดีอันนั้นอยากจะยึดไปถืออย่างที่อย่างพวานี่โบมเมนว่าให้เลือกให้เสารเด้อยากจะยึดไปถือลองเฮ็ดอันนี้ลองเมืองสกรอ้าวย่างนานบวเกินสามปีรับรองจริงๆเรื่องนี้โบมากกับน้อยอย่างกลางให้เวลาปีหนึงย่างเร็วที่สุดน่ะเก้าสิบวันอันนี้ส่งนี่โบต้องพูดเลยเรื่องโพสะโมหะโลภะนี่ มันจะจางไปรถดไปเดียวแล่ะจางไปลดทีเดียวถ้ามันมีร้อยเปอร์เซนต์อย่างน้อยที่สุดมันจะลดไปแล้วจากหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่สี่สิบเปอร์เซ็นตอย่างมากเลยบางทีอาจจะแห้งไปก็ได้แต่มันบดแห้งดอกอย่างที่เหยาราวานี่เน่ยมันสมมุติสมมุติผู้น้อยมันจะงื้อซกผู้ใหญ่ไม่มีวุฒถึงพอดีผู้น้อยจีนลุกขึ้นมาผู้ใหญ่บอกกดหัวใบรถมันกิขึ้นบ่ได้ปลุนเอิญว่าพลไป เพิ่งาจิตหลุดพ้นแล้วจิตพ้นไปจากข่วมทุกจิตพ้นแล้วหยาญยอมีเป็นว่าเมื่อเอาจิตเอาพ้นไปอันใดต้องเห็นอันนั้นจิตพ้นอันใดไปต้องเห็นอันนั้นพ้นโพสะก็ต้องเห็นโพสะพ้นโมหะก็ต้องเห็นโมหะพ้นโลภะก็ต้องเห็นโลภะพ้นกิเลสต้องเห็นกิเลสซึ่งที่พ้นไปแล้วนั้กลับมาปิดบังว่าได้เป็นว่าจิตสะอาดจิตสว่างจิตสงบจิตบริสุทธ์ จิตพองใสจิตว่องไวสัญ่ามันเป็นนังสั่นจะคว่ำจริงละอันนี้ที่เนี่ยพอมาเว้าสู้ฟังเนี่ยคว่ำจริงมีมัดทุกคนบ่ ย, ยกเว้นคือศาสน า, าใดก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีภาคสงฆ์เจ้าก็ามีเนี่ยผู้เรียนหนังสือมากมากก็มีผู้บุรีเรียนหนังสือก็มีเพราะมันมีซีวิตคือกันทุกคนบ่อนยกเว้นบุรีจะมาพุทธศาสน า, า, านี่ยเกี่ยวกับบุมแดของไผ่เป็นของกลางๆเป็นของผู้ปฏิบัติ รู้แล้วเข้าใจแล้นนามาเผยแพร่ทําให้พุทธศาสนาเจริญได้อันเขาสร้างโบสถ์นั้นเจริญยุทเจริญทรรวัตถุแต่จิตใจบสเจริญอันนี้เขามาสร้างอันนี้บัดเนี้ยจิตใจมันเจริญสมมติเอาหน้าบัดเนี้เขามาสร้างโบสถ์หลังหนึ่งเงินเงินเป็นล้านเขามาสร้างกุฏิ น, น้อยนี่นะเงินล้านนู้มันจะได้จากหลังรวมมาคิศบางโนบัดเนี้ยแล้วให้คนมายุปฏิบัติทำ ม, มาเนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์ สร้างโบสถ์หลังนึงบางทีจีนมีผู้ได้ไปบวชฮั่นเป็นพระนิยมคนได้บ่ชจากสิบคนว่นอย่างมากสร้างกุติลําลีย น, ยน้อยเนียน่ยอย่าพอวพักันถ้าหากมีความสามารถสอนกันแล้วตีละคนนี่มีสิบหลังก็ได้สิบคนรดมาเดียวอืบันนี้อันทําให้คนเป็นอนิยบุคคนนั่งกับสร้างบัตทูนะอันนี้ดีกว่านันเราต้องคิดแทนมันดี ถ้าหากเราเป็นสาวพุทธจริงๆเราพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรเราจะได้หลับหลองเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าจริงๆจึงว่าผู้ใดรู้ธรรมผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดบูรุษธรรมเขาบูเห็นพระพุทธเจ้าแล้วรู้ธรรมเขาจีไปเห็นพระพุทธเจ้าพูนบอกบ่แม่อย่าพอวาวันซีเงาตามใจตัวเองเลยไปซีมาขัดข้างกับขัดข้างไปก็บ่รุษเป็นยังอย่างพอเวาตามอุดมการอย่าพอเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นตัวเหานี้ยเปาเดียว เห็นตัวเขาเนี่ยตัวเขาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบวแมนเขาว่าอยู่แล้วเด้พุทธานุพุทธังหมดเลยสามารถสืดั้ทิ้งหมดเลยพูดตัดจารุตามพระพุทธเจ้ามีศินและทิฏฐิเสมอกันหนึ่งมีสินคือพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิคือพระพุทธเจ้ามีความเห็นคือพระพุทธเจ้าจริงหอเป่าเป็นสาวกพุทธะคนวาอันนี้เขาว่าเขาแต่ว่าเป็นทาสของพระทเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์หมดัลนเขาว่ากันทำว่ดสาววัดจรเป็นทาสยังไง ขันบัตรไปไว้เปิดไปแ้บนอื่นพุ่นบนได้ไว้พระพุทธเจ้าจากเถื่อนเนี่ยไว้พระพุทธเจ้าจริงออกไปทึกแต่ทองคําพุนไว้พระธรรมจะไปทุ่งแต่ทุ ก, กัมพีหนังสือพุ่นไว้พระสง์ในขันผู้ใดเอาพ้าเหลืองมาเสกไว้ไปรดบัดได้ไว้จริงๆจากเถื่อบัตรนี้พวกเขามาปฏิบัติธรรมันไว้จริงๆกล้าตัวเราจริงๆริงนะโมตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะบัวแม่งเครื่องรางของ ข, องของังไม่ยั้งย่างอาพอได้ฝึกมาแล้วอันนี้ฝึกตัวเอง สาบมืออย่าพอฝึกนโมตัสสะ พ, พระคัมภโตแปลว่าขอนกน้อมเอาเงินนโมตัสสะพระคัวภีโตอัลลาหัฮะโตเมื่อเห็นใจเป็นเห็นแพรว่าโชคดีเอาเงินเดี๋ยวนี้อัลลหัฮตโตแปลผู้ไก่จะกิเลสผลวานิยมสมาสัมพุทธรสสะพระพุทธเจ้าตัดสรุปเองโดยชอบเอแล้วเขากล้าตัวเขาเป็นแล้วบอกเขานกเป็นแล้วบอกกล้าให้จังไดไว้ให้จังใดอย่างดีกับไปกล้าบเบนจังขปดิษนี่อย่ยคอเฮ็ดแล้วเอาหัวเข้ากับศอก ใส่กันแล้วเอาหัวจู้หลวที่ดินพุ่นกาบเบนจังคับปฎิบัตอันนั้นถูกแล้วดีแล้วเพิ่นว่าเบนจังคับปดิบน่ะพร้อมด้วยองค์ทั้งห้าเพนวาท่านกาบให้เป็นนกให้เป็นไหว้ให้เป็นจึงมีห้าจังหวะด้วยกันการกราบกานไหว้อันนี้เราเอาเองนั่นเนี่ยที่ทุกกับตำราบุทุกกับตำรากระบวชักแต่ว่านโมตัสสา บ, บอกสั้นๆนโมตัสสาวแ้วขอนบนกให้จังไดน้นอมให้จังใดกล้าให้จังใด เราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจจริงๆถ้าเรารู้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ต้องหลักรองพระพุทธเจ้าจริงๆจึงว่าโหมุดยุคบโหมุดสมัยพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกเม็ดห็นเม็ดใส่ถ้าปฏิบัติถูกแล้วถ้าปฏิบัติโบธุดอกไกยูเสรกระโบซอกเห็นถูกแล้วถ้าปฏิบัติโบธุดอกไกยูเสรกระโบซอกเห็นจักเถื่อดังนั้นเขามาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ต้องคุ้นเคี่ยวกันจริงๆ เอาจริงเอาจังเมื่อคนใดเอาจริงเอาจังก็ต้องเห็นจริงเห็นจังบนแม้นสิว่ามานั่งอยู่นี่เดินจมกลมแล้วใจคิดไปลอยอันพันยางโบเห็นใจเจ้าของคิดเถื่อกปอันนั้นก็เดินจมกลมจนเท้าแตกกระโบได้เรื่องอย่างไดรหนบ่งด้เรื่องนนอย่างนี้บัดนี้เหตุยังรู้สึกตัวบัดนี้เอียงไสก้กะรู้เอียงขวากะรู้ก้มงเงยกะรู้บัดนี้ยเพตากะรู้หายใจกะรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมแท้ๆบัดนี้รู้เลย ก็คุณจิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไวคือพระพุทธเจ้าหรือว่าบุญนี่อันนั้นเนี่ตัวการปฏิบัติทำแทนะ้แท้น่ะปฏิบัติให้ละเน้บบุไม่ให้ยึดเน๊เ ด, ดี๋วยวนี้เหายึดเหวยักดีเาอยักมีเกียดอยากมีซื้ออยากมีเสียงเนี่ยมันเข้าใจอย่างสันที่นี่ยพอมาให้ข้อคิดเป็นเครื่องตื่นจิตสกิจใจวันนี้ก็เพตุนาชมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาขออ้างองเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระนันตาสาวกพระสมมาสามุรรเจามาเตือนจิตสกิดกจใจของพวกเราให้พวกเราจะได้จะเจริญลอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นแล้จึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้รู้จริงๆเห็นจริง ๆ, ๆเข้าใจจริง ๆ, ๆ เป็นได้จริงจงอย่างจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพองใสจิตใจว่องไวอันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงเอาในชีวิตนี้จงทุกๆคนเถิด